เราไม่ได้เรียนเอาความฉลาดรอบรู้อะไรมากมายต้องกลัวโง่เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดแล้วนแต่ดับทั้งสิ้นต้องการแค่นี้ความสงสัยเกิดได้ก็ดับได้แต่เราพยายากที่จะช่วยมันดับนะสติเกิดจริงแล้วเกิดได้บ่อยไหมเลย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 ถึงไม่พูดนะมันก็ถึงไม่ต้องไปคิดเรื่องนิพพานไม่ต้องไปอยากได้ยังไงก็ถึงรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกเรื่องมีสติคนมองข้ามตรง น, นี้นะมองข้ามการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรื่องสําคัญอีกส่สุดนะไปให้ความสําคัญกับการปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติ ต้องไปว่าหรือจะเรีกว่าปฏิบัติต้องเข้าคอร์สหรือจะเรียกว่าปฏิบัติทั้งที่ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ปกติอย่างนี้แหละแล้วเราล้าเลยเวลาที่เหลือกิเลยเอาไปกินหมดเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนมีหนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าเดินตรงลมจะเดินยังไงหลวงพ่อบอกนั้นออกคนเลยนะใจกล้ากล้าอันนั้นคนเต็มห้องออกมาเดินให้หลวงพ่อดูเลยเดินตรงนี้ให้ทุกคนดู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 บางคนเห็นแล้วโอ้หน้าเบื่ออย่างไรโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารรู้สึกเบื่อความเบื่อภาพงําจิตใจเบื่อทั้งสุขเบื่อทั้งทุกข์เบื่อทั้งดีเบื่อทั้งชั่วเบื่อทุกอย่างที่จิตจะรู้นี่ก็เป็นทางผ่านนะเป็นความรู้สึกในทางผ่านแต่เราก็รู้ทันจิตใจของเราไปอีกใจก็เป็นกลางในสุดใจจะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเป็นกลาง ยืนเตืนนั่นนอนใจสักว่ารู้สักว่าเห็น เ, นเป็นกลางจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อตัวไม่หลงไปเรียกว่ามีสัมมาสมาธิร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนึกว่ามีสัมมาสติใจอยู่กับเนื้อตัวเป็นสัมมาสมาธิก็เห็นเลยกายนี้ ใ, นใจในี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นต้อนธาตเป็นรูปปธรรมนามธรรมนี่เป็นตัวปัญญา นี่เรามีทั้งหมดล้สติมีสมาธิมีปัญญาไปแก่รอบเข้าไปจิตใจปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมีมิมุตบิมุิมมเกิดขึ้นแล้วนใจไม่ไปยึดไปเกาะ อ, อะไรเป็นอิสระมีอิสระเป็มที่สระสูงสุดลมีความสุขล้นๆนๆะความสุขโ้ยไม่ต้องรักษาไม่ต้องคุ้มครองดูแลถูกพ่ไปเห็นคนหนึ่งนะเขียนธรรมะ จิได้นะจิมเยอะกยะล้าระราหันเนี่ยน ะ, จะเจริญสติอยู่ทุกๆุอิริยาบถคนเขียนไม่ได้เป็นพระอราหันแน่งานทางศาสนาพุทธเนมื่อทําไปถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดการจเจริญสติเหมือนเรือเหมือนแพทั้นั้นเองไว้ข้ามฝั่งข้ามแล้วก็ทิ้งเรือทิ้งแพนะแต่สติเมันอัตโนมัติมันไม่ได้จเจริญหรอกมันจะอัตโนมัติมันจเจริญ ม, มากกว่านั้นไม่ได้ละ เป็นอัตโนมัติีพวกเรามันยังไม่เจริญใช้พูดเจริญคำว่าพูดเจริญคือคำว่าอาริยะนี่นอริยะแปลแว่าเจริญพูดเจริญค่อยๆฝึกจิตใจเจริญขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาอบรมจิตใจให้มันรู้ความจริงของกายของใจถึงจะนึกเขาวางเขาเอางนะหน้าที่วางเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเรา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 กลัแต่สงสัยเลยไม่เห็นปฏิหาร <c oughs> เราตั้งใจดูคนข้างๆเราก็ได้ลองดูเบอร์สิบสอตเองดูดิเราเห็นก็แว บ, บเดียวนะจริงๆแล้วก็คือไม่ว่าใครนะไปมองอะไรก็มองเห็นได้กี่ระแว็บเดียวนิดเดียวอันนี้ไม่ใช่ปฏิหารอะไรหรอกนั่นเป็นธรรมดาของจิตนี้เราก็ไม่เคยรู้จักเราไม่รู้เราคิดว่าเรามองอะไรได้ชัดๆตลอดเวลา เราเห็นไหมเวลาเรามองคนข้างๆเรามองหน้าเขาเนี่ยเราต้องขยับเปลี่ยนจุดการมองอยู่เรื่อยๆ น, น, นะขยับไปขยับไปไม่งั้นเราดูได้ไม่ชัดหรอกแล้วก็อาศัยการมองทีละจุดเล็กๆเหมือนต่อจิ๊กซอว์อาศัยความจมําเนี่ยมาเรียงร้อยภาพที่เราดูหลายๆห น, นี้ยเข้าด้วยกันเลยเป็นหน้าของคนคนนี้ขึ้นมาดังนจริงๆแล้วตาเรามองเห็นอะไรนิดเดียวหูเราได้ยินเสียงนิดเดียวจมูกได้กลิ่นนิดเดียว ใจได้คิดไปเรื่อยๆไม่นิสียวแล้วคุณเบอรแปดสิบสองเมื 82, ม่อกี้ทำอะไรูร้นะสึกแว๊ใจเราเลยแว บ, บไปใจเราแวบ๊บไให้เรารู้ทันว่าใจมั น, นไหลแว บ, บไปนะนี่คือการหัดรู้ตัวเองหัดรู้ทันใจตัวเองนักปฏิบัตนนิให้คอยหัดรู้สภาวะไว้แล้วสติจะเกิดเอง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 รู้สึกครูเก่งผูู้เก่งอย่างนี้นะชาลน้นพุวยเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้ติดแต่ของเก่าติดแต่ความรู้เก่าๆความรู้เก่าๆก็ไม่มีอะไรเกิดสมถะหรอกความรู้สมถนะนี่ความรู้ของเก่าแล้วความรู้วิปัสสนาเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งต้องมีพระพุทธเจ้าถึงจะสอนเรื่องวิปัสสนานะสมถะนี่ของเก่าสอนกันมาไม่เคยขาดสายเลยก็แล้วปิดใจยจะติดสมถะติดของเก่า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 เม่อไราลืมกายลใจในปัจจุบันเรียว่าหลงทั้งหมดเลยเรียว่าขาดสัมมาสติทั้งหมดเลยแต่การที่เราคิดธรรมะนักศึกษาเปรียบเทียบคิดเนี่ยมัมีสติเหมือนกันเพราะว่าเราคิดเรื่องที่เป็นกุศลแต่เป็นสติธรรมดาสัมมาสติกับสติธรรมดาไม่เหมือนกันสัมมาสติเรียรู้กายรู้ใจตัวเองสติธรรมดารู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วทั่วไป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 ท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติแม่พุดถึงอกถึงใจถ้ารู้ว่าจิตคิดนะคนทั้งโลกไม่รู้ว่าจิตชิดคนทั้งโลกรู้แต่เรื่องที่จิตชิดค่อยๆแยกคํานี้ให้ดีนะอาการที่จิตคิดเนี่ยอันหนึ่งเรื่องราวที่จิตคิดนี่เป็นอีกอนนงนอย่างตอนนี้ยจิตแอบไปคิดทราบไหมจิตแอบไปคิดถ้าจิตแอบไปคิดแล้วเราไม่รู้ทัน เราจะไปรู้เรื่องที่จิตคิ ด, คดเรื่องที่จิตคิดไม่ใช่ของจริงอย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นถ้าไปประกวดอาจจะได้ก็ได้ไม่แน่ทีนี้เรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงเลยเรียกว่าสมมติบัญญตัติแต่เราเรียนธรรมะเราเรียนของจริงสิ่งที่เป็นของจริงก็คือกายกับใจเรานี่แหละของจริงๆริงให้คอยรู้อยู่ที่กล้คอยรู้อยู่ที่ใจ ใจ แ, แอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมไลน์ด่ละคุณเบอร์แปดสิบอเก่งรู้สึกไหมบังคับตัวเองแล้วน่บังคับเนี่ยให้รู้ทันมาบังคับไม่ต้องฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องนะหลวงพ่อบอกแล้วนะไม่ต้องเรียนธรรมะด้วยการฟังหลวงพ่อพูดให้รู้เรื่องถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องแสดงว่าไม่รู้ธรรมะ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 คนใดละความเห็นผิดวาจิตเป็นเราได้นะจะได้ทศดับบัตในเวลาสั้นๆหลงไปแว บ, บหนึ่ ง, ง, คนอ ง, อน ง, งครับไหมบังคับทราบไหมเห็นไหมสุดโต่งมีสองันไม่หลงไปก็บังคับไว้สุดโตมีแค่นี้เองแต่ใช่ใช่หลวงพ่อจึงบอกไงว่าพวกเราเนี่ยฝึกอะไรมาหรือไม่พวกเราฝึกสมถธิมาเพราะในสังสารวัตที่ยาวนานนี้นะเราฝึกบังคับตัวเองมาตลอด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 เริ่มทำใจให้ถือแล้วรู้สึกไหม่าให้ตั้งไหมเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชิโง่โง่งไหโง่งไหเชื่ อ, อพวกฉลาดนะตายเพราะความฉลาดนั่นแหละพกพฉลาดด้คิดมากคิดมากยากนานเรียนโง่โง่วง้ง่ายที่สุดเลยแต่ก่อนทางอีสาน้ะมีกรอนของคนทางอีสานนะ อยากทําได้ถามหญิงํามผูอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควายอยากจะทํากรรมฐานให้ถูกให้เป็นสามเด็กเลี้ยงควายบอกทําไม่ได้หรอกไม่รู้ทําไม่เป็นจริงๆคือทําไม่ได้ถ้าทําได้มันจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาสติแวบเดียวยังทําไม่ได้เลยสั่งให้เกิดไม่ได้เลยเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้คุณดูออกไหมรู้สึกขึ้นมานะได้แวบเดียวรักษาไม่ได้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 เมื่อกี่รู้ตอนนี้หลงอีกและ้ะอย่างเงี้ยจะสลับไปเรื่อยๆจะมีหลงกับรู้สลับกันขึ้นมามันจะแสดงให้เห็นว่าความหลงก็ไม่เจี่ยงนะความรู้สึกตัวก็ไม่เจี่ยงอะไรอะไรก็ไม่เจี่ยงเพราะงั้นเวียนกรรมฐานถ้าเลยเรียนเป็นคู่คู่จิตมีโทสะกับไม่มีโทสะถ้าโกรธตลอดยีิบสี่ชั่วโมงก็จะไม่รู้ว่าเราขี้โมโหนะรู้สึกเป็นธรรมดาแต่มีเวลาที่ไม่โมโหด้วยเนี่ยเราจะรู้เลยอ้อ น, นี้โมโหละตอนนี้ไม่โมโห ไม่โมโหก็ไม่เที่ยงไม่โมโหก็ไม่เที่ยงมันต้องมีคู่หนึ่งนะเอามาเรียนแล้วเรียนสิ่งที่คู่ที่หลวงพ่อแนะนําให้เรียนคือจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะเมื่จิตมีราคะจิตมีโทสะมันเป็นรูปของจิตที่มีโมหนะนั่นแหล ะ, และต้องมีโมหะก่อนถึงจะมีราคะโทสะได้คุณเบอร์แปดสิบสองถล่มลงไปทําอะไรแล้วหลนนะ เข้าใจแล้วนะเรียนได้เร็วดเ ร, นเร็นานๆเจอคนเรียนได้เร็วขนาดนีนน้คนหนึ่งหลงอีกแล้วเนาะหลงพอแกล้งชมให้หลงหลอกลวงววมันเคยชินมันไปตามความเคยชินความเคยชินเนี่ยภาษาไทยนะภาษาแขกคืออนุใส่นะนะเคยโกรธก็ยังโกรธบ่อยเคยหลงก็หลงบ่อยเคยเพ่งก็เพ่งบ่อย จะไปอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมบังคับไม่ได้อยากพูดทราบไหมมีแรงดันนะตัญหานี้จะพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาจากอาุยิวัตถุอสยรูพุดขึ้นคุณเบอร์เจ็ดทำอะไรอยู่หลงอยู่ตอบถูกโอ้วันนี้เก่งเก่งหลายคนเบอร์แปดสิบเอ็ดจะสงสัยเยอะนักนะสงสัยให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ อัดรู้ทันตัวเองเรียนโง่ๆอย่างหลวงพ่อนะเรียนที่เธอเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วเรียนแบบคนฉลาดนะกี่ปีก็ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเราฉลาดด้วยการคิดเอาไม่ได้ฉลาดด้วยการเห็นนุกอัดไปนั่นน่ะไม่มีเบอร์ใส่เสื้อตราดจอระเขะ <c oughs> เมื่อกี้ทาอะไรอยู่คิดอยู่ตำถูกได้หนึ่งคะแนน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 พอจิตแสดงความไม่เที่ยงให้ดูตีป่วยตีพายล้วจิตแสดงทุกข์ให้ดูก็ตีป่วยตีพายจิตมันแสดงการบังคับไม่ได้นะโมโหว่าทําไมเราปฏิบัติไม่เก่งสติเมื่อตั้งหลักผิดนะจิตปฏิเสธธรรมะฝึกไปกี่ชาติก็ไม่เข้าถึงธรรมะแท้จริงธรรมะก็คือการที่เราเห็นกายเห็นแจงเราเป็นไตรักษนั่นแหละนั่งคัตสมาธิก็ได้นะนั่งสบายหลงแวบหนึ่งทราบไหมจะไหลแวบไป หัดรู้อย่างนี้คุณเบอเจ็ดหลงอีกแล้วรู้สึกไหมหลงเพลิดเพลินรู้สึกไหมหลงแล้วมีความสุขตัวนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่านันทีราคะความเพลิดเพลินฟังธรรมะแล้วก็เพลินเินมีความสุขนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านใจดีหรือไม่ก็ท่านอายุมากรู้สึกฟังธรรมะแล้วเพลิดเพลินท่านก็ปล่อยช่างมันเถอะเพลินเพลินเป็นอย่างดีกว่าไปอาบาย อย่างนั้นไปสุปฏิ <c oughs> แต่หลวงพ่อไม่ก็ยอมลูกศิษย์มาฟังธรรมะแล้วมีความสุขเพลินเลินครั้งหนึ่งไม่ว่านะสองครั้งไม่ยอมแล้วมันจะมีความสุขอะไรนักหนาขันห้ามมนเป็นุกขหลงไปอีกแล้วนะเมื่อให้รู้เฉยๆเห็นไหมมันทำงานของมันเองมันไม่ได้กลับหรอกการกลับเป็นภาพหลวงตา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 ต้องสบายนะอืต้องสบายนะหัดมาจากไหนล่ะ อ, ออลูกศิษย์ของผูดูท่านก็สอบดูจิตนี่แเยอะดีนะท่านก็ซาดีหลงอีกแล้วดีแล้วเนี่ยโอเห็นลูกศิษย์อย่างนี้นะเชิดหน้าเชิดจูตาอาจารย์ องค์คนภาวานาไม่เป็นหรยอบอ ก, กเป็นลูกศิษร์องค์นี้งนี้นะ <c oughs> ะเดี๋ยวเรานะเรับผ่อนแล้วก็รีบไปทานข้าวนะรับยะถาวาริวหาปูราปริภูเรนตีสักะรังเอวะเมวายโตทินนางเตตานังอุปขปติอิชิตังปติตังตุมหังกิปมเมวาสมิชโตสัเพเพปูเรนตูสังกป า, าจันโตปันระโสยะ า, ามณิโชติระโสยะา สัพพีติโยวิวัชชนตูสัพรโรโภวินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาธานาศิริสนิจจังุทาปชายโยจตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังละลังภวตูสัพพังคลังรักขันโตสัพพเจ ว, วตาสัพพุทธานุพาเวนะสัพพธ a รมานุพาเวนะ สัพพสังขานุภาเวนาสัต